พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีมรืนนี้ก็ขึ้นปีใหม่ผู้คนก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญเป็นวาระโอกาสที่พิเศษที่ควรจะได้ทำสิ่งพิเศษ หรือว่าได้เจออะไรที่พิเศษกว่าเดิมคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไปหาความสนุกสนานรื่นเริงเฉลิมฉลองให้มันพิเศษไปจากชีวิตที่เคยผ่านมาตลอดทั้งปีเวลาพูดถึงสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ แปกใหม่คนก็มักจะหนีไม่พ้นเรื่องการเที่ยวการเสพนะอย่างที่เราได้ยินนะขณะนี้ก็มีเสียงร้องเพลงนะมีการลัดเล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับหรือได้เสพหรือได้ทำสิ่งที่พิเศษแต่พวกเรานะทีนี้นะ สิ่งพิเศษของเราก็คือการมาวัดนะเพื่อมาสัมผัสความสงบมาเติมสติเติมความรู้สึกตัวให้กับจิตใจของเราความสนุกสนานนะความบันเทิงนะมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นเราใจ ในขณะที่ความสงบนะที่เรามาสัมผัสในขณะนี้หรือช่วงนี้เนี่ยนะมันมันตรงกันข้ามเลยนะมันไม่มีมันไม่ได้ผือหวานมันไม่ได้เร้าใจเหมือนความสนุกสนานแต่ว่ามันก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะนะความสนุกสนานที่ผู้คนสแสวงหาหรือว่ากาลัง เสพกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันให้ความตื่นเต้นเราใจก็จริงนะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยอันตรายนะเพราะว่าอย่างต่ำๆก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะยิ่งร้องเพลงยิ่งละเล่นมันสนุกชั่วครู่เสร็จแล้วก็เหนื่อย เนอยกายเหนื่อยใจยิ่งถ้ากินเหล้านะมีการเต้นลําต่างๆมากมายบางทีมันหลงนะบางคนก็ลงเอยด้วยการะทะเลาะกันวิวาทบาดหมางกันตีก็มีในงานเลี้ยงในงานฉลองหรือว่าถ้าเกิดกินเหล้าไม่ต้องเมาไม้นะแค่หมื่นก็พอหนะมึน ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ไปชนเขาก็อาจจะลงคุกพิการไปหรื อ, อบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตหรือว่าพวกที่สนุกสนานข้ามวานันข้ามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เสร็จแล้วก็ต้องทำงานต่อบางทีไปขับรถนะขับรถเที่ยวดึกนะไม่ใช่รถธรรมดารถทัวร์อกเิว่าพารถลงเฮลไปก็มีอย่างเมื่อสองสามวันก่อนนี่ก็นะรถทัวร์ก็ลงเฮลนะที่แถวเพชรบูรณ์ตายไปเกือบทั้งรถเลยเพราะว่าดาวบอคนขับคงหลับไหน อันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะมีพิษมีภัยมากบ้างน้อยบ้างมันเหมือนกับน้ําน้ําสีเนี่ยน้ําหวานนะคนก็ชอบมากกว่าน้ําจืดหรือว่าน้ําฝนเพราะว่ามันมีสีแล้วมันก็อร่อยเด็กยังชอบเลยแต่ว่าน้ําหวานเนี่ยเราไม่สามารถจะกินได้ทั้งวัน แล้วกินทั้งวันนี้ก็เป็นอันตรายนะคอเลสเตอรอลนะหรือว่าน้าตาในเลือดมันก็จะสูงบางทีมันกักดฟันทําให้ฟันเสียนะโทษมันมีมากนะถ้ากินทั้งวันแม้นานๆต้องกินทีหรือวัวนนึงก็กินนิดหน่อยให้พวกน้ำสีน้าอัดลมไม่เหมือนน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่กินได้ทั้งวันนะ ไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นประโยชน์กับร่างกายได้ซ้ำแล้วความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับน้ำเปล่าน้ำฝนนะไม่มีสีไม่ดึงดูดไ ม, มไม่ดึงดูดตาแล้วก็ไม่อร่อยนะที่จะดึงดูดใจได้แต่ว่าเราไม่สามารถจะขาดมันได้ไม่มีใครที่จะขาดน้ำเปล่าได้ส่วนน้ำสีเนี่ยนะ ไม่กินเลยก็อยู่ได้แต่ว่ามันอาจจะเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนี่ถ้าเกิดว่านานๆทีกท็ก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตไปแต่ถ้าเสพ บ, บ่อยนะจนติดนี่ก็เป็นอันตรายอย่างคนที่ติดนะติดน้ำสีน้ำอดลมนี่ชุขภาพก็ย่ำแย่เหมือนคนที่ติดเสพติดในความสนุกสนานความบันเทิงที่เร้าตาเรา ผูกระตุ้นดิ้นหรือว่าเ้าใจเนี่ยแต่นี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนสแสวงหานะแล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลนี้กนะ็พากันเข้าหาก็ไปใหญ่จะหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะมันมีความสุขที่ประเสริฐกว่านะคือความสงบ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษนะสำหรับพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นค า, ารวาสที่ใช้ชีวิตนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียดนะการที่ได้มาสัมผัสกั บ, กบความสงบความรู้สึกโปร่งร่งเบาในจิตใจเนี่ยมันเป็นของพิเศษนะเพราะมันช่วยทาให้เรามีกาลัง นัไม่ใช่แค่กำลังกายแต่กาลังใจและมันเป็นประตูที่จะพาเราไปสู่ธรรมะอื่นๆนะที่เรียกว่ากุศลธรรมนะเมื่อใจเราสงบใจเราโปร่งใจเราเบานะการที่จะมีสมาธิก็เป็นเรื่องไม่ยากการที่จิตจะมีเมตตาก็ทําได้ง่ายหรือว่านําไปสู่ความรู้สึกตัวมีสตนะิก็ยิ่งเป็นไปได้ง่าย ที่จริงสติและความสึกตัวในอีกด้านนึงก็เป็นตัวทําให้ใจเราพบความสงบความเย็นความโปร่งเบาด้วยสิ่งนี้นี่คนที่เพลิดเพลินความสนุกสนานนี่เขาก็าไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะมันจะมันจะดีได้ยังไงโดยเพราะในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะคนก็คิดถึงว่าก็ต้องใช้เวลากับการเที่ยว กับการเสกกับการรักเล่นนะเขาคงแปลกใจนะทำไมพวกเรามาเข้าวัดกันนะในช่วงที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะมันข้อของสูกนี้มันเป็นการมันเป็นประสบการณ์ที่จืดชื่อเหลือเกินสมัยตอนที่าะมาเป็นคารวาส น, นะกว่านะได้ก็เคยไปเยี่ยม เธอยี่ยมรุ่นพี่ซึ่งบวชเป็นพระมาได้เจ็ดพรรษาอยู่ที่สวนโมกภุม้มเรียงสวนโมกนี่สวนโมกนี่ดั้งเดิมอยู่ที่ภุมิเรียงนะสวนสวนโมกแรกเนี่ยต่อหลังถ้าจะพุทธายไปที่สวนโมกตรงที่เรียก ว, วัดทานน้ำไหลเริ่มต้นเดิมทีมอยู่ที่ภุมิเรียงแล้วก็หลวงพี่ท่านนี้คือ พระประชานะประสานธรรมโมท่ทานก็รักษาการเจ้าว่าที่นั่นแล้วก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็นึกจินตนาการก็ถามท่านว่าเนี่ยนะปีใหม่ท่านอยู่ไหนท่านก็อยู่วัดนะไม่ได้ทําอะไรที่พิเศษไปกว่าวันอื่นๆในใจก็นึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในวันปีใหม่ที่แสนจะจืดชืดมากนะเพราะว่าใน ความรู้สสื ข, ของเรานะตอนนั้นยังหนุ่มนี่ก็คิดว่าเนี่ยปีใหม่ก็ต้องเที่ยวนะต้องเที่ยวอย่างน้อยก็ไปดูหนงังหรือว่าสังสรรค์กันอย่างน้อก็เพราะว่านานๆจะทําอย่างนั้นทีมาใช้เวลาช่วงวันสุดท้ายของปีและปีใหม่นะอยู่กับวัดทํากิ จ, จวัตรตามปกติหรือว่ารวมไปถึงการทําสมาธิมันช่างเป็นการ การใช้เวลาที่น่าจืดชืดมากเลยนะต่อมาไม่นานเนี่ยก็พอขึ้นปีใหม่ปี26นะตอนนั้นก็ใกล้บวชแล้วก่อนบวชประมาณสักเดือนกว่าก็เป็นช่วงนะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็คิดว่านี่จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยให้เป็นเวลาที่พิเศษนะ ก็เลยเดินทางไปที่กระบี่ไปคนเดียวเลยไม่ได้ไปกับเพื่อนกล่าวว่าจะได้ไปเที่ยวเกาะและเกาะที่หมายตาคือเกาะพีพีซึ่งเมื่อ30ปีก่อนนี่มันก็ไม่ใช่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่เฉพาะพวกขาเที่ยวหรือว่าพวกที่รักธรรมชาติจริงๆเนี่ยถึงรู้จั ก, ก PP, เกาะพีพีรวมทั้งป่าตองด้วย ตอนนั้นก็ชอพวกฝลั่งนะที่นักเที่ยวธรรมชาติจะรู้จักป่าตอมก็ไม่ได้สมัยนี้มันไม่ได้เละเหมือนสมัมนสมยนี้นะซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นธรรมชาติอยู่มากก็ตั้งใจว่าเนี่ยนะปีใหม่ทั้งทีงทก็ต้องนะจะได้ไปเที่ยวพีพีก็เดินทา ง, งไปกระบีนะ่เพื่อที่จะไปหาเพื่อนซึ่งเป็นคนแถวนั้นนะ เป็นเพื่อนของเพื่อนนะซึ่งเรียกว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติมากแล้วก็มีเกาะมีมีเรือมีเรือที่จะพาไปเกาะพีพได้แต่พอไปถึงแล้วก็ผิดหวังเพราะว่าเขาไม่ว่างนะไอ้เลือมก็ไปก่อนแล้วนะเขาก็แนะนําว่างั้นก็ไปไปพักที่บ้านเขาสิบ้านเขาอยู่เกาะลันตาโนยนะครอบครัวเขาเขา พราแม่เขาก็อยู่ที่เกาะลันตาน้อยลันตามันมีสองลันตานะลันตาน้อกกับลันตาใหญ่ลันตาใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติไปแล้วแต่เมื่อ30ปีก่อนนี่มันไม่ใช่ยังเป็นหมู่บ้านชาวประมงสงบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไม่มีสักร้านเลยนะเพราะคนนี้ไม่กินข้าวนอกบ้านกินข้าวในบ้านกันแต่ว่าไม่ได้ไปลันตาใหญ่นะไปลันตาน้อยซึ่ง ซึ่งไม่มีอะไรที่น่าจะไม่มีอะไรน่าเที่ยวเลยแต่มันเป็นบ้านของครอบครัวเขาก็ผิดหวังนะแต่ว่าไหนไหนไปถึงนั่นแล้วก็ไปไปที่นั่นก็อยู่บ้านที่มีคนประมาณ4ีหคนส่วนใหญ่เป็นคนแก่เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขากับหลานนะไอ้เรานี้ก็วันวก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ไปนั่งอยู่ ที่สะพานปลาแล้วก็ดูทะเลดูเกาะไม่มีการลเล่นไม่มีการไม่มีที่เที่ยวนะนธรรมชาติหรือชีวิตที่นั่นก็ก็สวยนะแต่ชีวยมันจืดชื่อเป็นหน่อยแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่งานสักสองสาวันนะได้เห็นแต่ทะเลนะไม่ค่อยได้พูดคุยกับใคร อ่านหนังสือบ้างนั่งสมาธิบ้างก็สวสใจนี้ค่อยๆสงบธรรมชาติเนี่ยคือทะเลภนะูเขาค่อยๆกล่อมกล่าใจให้สงบตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะพลุกพล่านมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรือจากปีนังเขาก็จะมามาซื้อถานซื้อถาน สมัยนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยเรือเนี่ยสำคัญมากกคไทยคนแถวกระบี่ภูเก็ตนี่เขาไม่ได้ติดต่ออะไรกับกับคนที่กรุงเทพเท่าไหร่นะ เ, นเาติดต่อกับคนที่คนจีนที่ปีนังนก็อาศัยเรือแต่ว่าตอนตอนหลังนี่มันก็มันก็เส้นทางนั่นก็สุดโทมร่วงโรยไปก็เลยไม่มีอะไรนะนอกจาก ชีวิตที่เป็นธรรมดาสามัญนะของคนที่เขาหาเช้ากินคําแต่ว่าการที่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้สัมผัสกับความสงบเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเลยว่าโอ้เป็นโชคของเราจริงๆเลยนะที่ได้ได้มาที่นี่ยังรู้สึกเลยว่าถ้าไปพีพีเนี่ยก็คงจะไม่ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้ แล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไอ้ความความสงบนี่มันเป็นความสุขที่อ่าประเสริฐกว่าความสนุกสนานสิบก็นับว่าเป็นการฉลองวันสุดท้ายของปีที่ที่ดีมากวันที่สามสิบเอ็ดก็ไม่มีอะไรนะสามทุมก็นอนมาพบคนที่นั่นนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรกันอยู่แล้วไม่เหมือนปีก่อนๆ น, นะถ้าวันที่สามสินี้เราต้องคิดว่าต้องโต้รุ่งต้องสนุกสนาน ต้องมีเพลงต้องมีอะไรต่ออะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าที่นั่นก็ชีวิตก็เป็นปายตาปกติสามทุ่มก็นอนแล้วมันไม่มีอะไรมากโทรทัศน์ก็ไปไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มีเป็นเป็นวันสุดท้ายของปีที่นอนที่เข้านอนแต่หัวค่ำแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก แล้วก็ทําให้เกิดความมั่นใจว่าเนี่ยถ้าบวชพระเนี่ยก็จะบวชได้เนะพราะตอนนั้นไม่ค่อยมั่นใจนะว่าบวชพระเราจะบวชได้ไหมเนี่ยสมเดือนชนนะสามเดือนนี่จากคนที่วิ่งวุ่นนะทำงานวิ่น ว, วุ่นอยู่เฉยเฉยไม่เป็นอยู่นิ่งๆิไม่ได้นะต้องมาบวชพระปฏิบัตินะเราจะทําได้หรือ แต่พอได้ไปสัมผัสกับความสงบที่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเราชอบความสงบแบบนี้ก็ทําให้มั่นใจว่าถ้าบวชก็จะบวชได้แล้วก็บวชยังมีความสุขด้วยตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะมาบวชบวชแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตนี่แหละนะปีสองหกแต่ก็ไม่ได้บวชไม่ได้มาอยู่นะเพราะว่าสมัยนั้นไม่ค่อยมีพระอยู่หลวงพ่อกำเขียนแล้วก็แนะนําให้บวชแล้วก็มาอยู่วัดสนามไหนก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่า เกิดความมั่นใจว่าเนี่ยให้ความสงบนั่นแหละนะ่คือสิ่งที่สิ่งที่ประเสริฐนะแล้วก็ตัวเองก็สามารถจ ะ, ะสัมผัสกับมันได้ไอันนี้นก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประสบการณ์ที่เล็กๆนะแต่ว่ามันมันทำให้เห็นแล้วว่าให้ความสุขที่เป็นความสนุกสนาลื่นเหลืองนี่นะมันมันเราใจก็จริงนะแต่ว่า ไม่สามารถจัดเทียบได้กับความสงบความโปร่งความเบาในะคนสมัยนี้นี่ยากที่จะสัมผัสนะไอ้ความสงบความโปร่งความเบาในจิตใจเนี่ยถึงแม้จะมีเงินนะซื้อความสนุสนานลื่นเลืองได้เงินเนี่ยนะมันซื้อความสนุกสนานลื่นเลืองได้ไม่ยากจะลื่นเลื่องที่ไหนก็ได้นะ ในกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ฮนะ่องกงโตเกียวเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามีเงินแล้วก็มีเวลาแต่ว่าความสงบความโปร่งเบานะเงินซื้อไม่ได้และเพราะเงินซื้อไม่ได้นั่นแหละที่ทําให้คนสมัยนี้เนี่ยรู้สึกขาดสิ่งนี้ไปแล้วก็ในส่วนลึกก็โหยหา หลายคนก็โหยหาความสงบเพราะว่าจิตใจมันว้าวุ่นเหลือเกินหลายคนโหยหาความโปร่งบางในจิตใจเพราะว่าจิตใจมันหนักอึ้งมากความสงสัยก็เพียงแต่ทําให้ลืมความหนักอึ้งในจิตใจไปชั่วคราวพอตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งขึ้นใหม่หรือว่าไม่ต้องอะไรนะเพียงแค่งานเลี้ยงยุตินพองานเลี้ยงมันเลิกลานี้ ก็รู้สึกหงอยรู้สึกรู้สึกเสียดายเสียใจอะไรอาวรณ์ขึ้นมาลองสังเกตมาล้วความรู้สึกของเราในในวันที่31สิงหา31ธันวากับความรู้สึกในวันที่1มกราคมนี่มันต่างกันหลายคนจะรู้สึกมันต่างกัน31มกราคม31ธันวานฯรู้สึกว่ามันจิตใจมันล่าเรืเบิกบานแต่พอถึงวันที่1มกราคมนี้มันชักห่อเหี่ยวแล้วเพราะว่างานเลี้ยงเลิกลาไปแล้วแล้วก็ต้องทํางานแล้ว ก็เกิดความรู้สึกที่ห่อเหียวนะบางคนก็ไม่อยากไปทํางานนะไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ายัางอาลัยในความสนุกสนานนะแต่ว่าไอ้ความความสงบความโปร่งเบานี่มันมะันไะม่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ความสงบความโปร่งความเบาเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเงินซื้อไม่ได้นะแล้วก็ บางทีใจมันก็ไม่ให้ด้วยใจมันก็ไม่ชอบใจไม่ชอบหมายความว่าใจมันก็กล้ากลัวๆนะว่าเอ๊ะมันจะจะจืดจะชืดไปไหมอยากจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องทำใจอยู่พอสมควรนะถึงได้สัมผัสความสงบ มันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บติดปั๊บเหมือนความสนุกสนานนะความสนุกสนานนี่โดยเพราจะเป็นวัยรุ่นนี่มันกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะสนุกสนานลึกเพียงแค่เปิดเพลงนะมันก็เกิดความรู้สึกสนุกเร้าใจละแต่ความสงบนี่มันต้องใช้เวลาและคนเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีความอดทนในการที่จะค่อยๆให้ใจได้คืนสู่ความสงบ ที่ถึงความสงบนี่มันเป็นภาวะปกติของจิตใจนะถ้าจาวุถ้าเปลืยกมันก็ว่าเหมือนกับก้อนหินนี่มันค่อยดิ่งลงสู่ก้นสู่ก้นแม่น้ําหรือก้นทะเลนะเมื่อดิ่งลงถึงก้นทะเลมันก็จะนิ่งนะจริงคนเราเนี่ยมันก็เรียกว่ามีธรรมชาติที่ทจะดิ่งสู่ความสงบแต่บางทีมันก็เหมือนกับ บางทีมันก็ไปไม่ถึงนะเพราะว่ามันค้างมันคามันก็ก้อนอนี้มันคามันค้างอยู่บนอยู่ในสารายนะก็คือว่าอพอจะคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆได้สัมผัสความสงบแต่คนเราก็ไม่ค่อยทนไม่ค่อยอดทนรอคอยเท่าไหร่หลายคนที่มาวัดใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่า มันน่าเบือ่อรู้สึกกระสับกระส่ายมันไม่มีอะไรทําชวนง่วงเหงาเขานอนหรือน่าเบื่อหนายส่วนใหญ่ก็แม่ส่วนใหญ่จํานวนไม่น้อยก็ผ่านผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วนกลับดีกว่าไม่ยอมให้โอกาสแก่จิตใจของตัวเองในการที่จะได้ค่อยๆ ค, คืนสู่ความสงบ แต่พวกเรานี่ก็คิดว่าถ้าเราได้ อ, ไดอุตสาห์มาถึงขนาดนี้แล้วนะเร า, เาสละโอกาสที่จะไปเที่ยวสนุกสนานลื่นเลินเฉลิมฉลองมาที่นี่เนี่ยก็เชื่อว่าเรามีฉันทะเรามีความเพียรแล้วก็เราก็มีความรู้จักอดทนรอคอยในการที่จะทําให้จิตได้เข้าถึงความสงบได้ แต่คนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นเส ม, มือนคนที่เสพติดนะเป็นคนที่เสพติดชนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่แต่ว่าก็เสพติดภสษาเตดเสพติดแสงสีหรือว่าสิ่งกระตุ้นเราเ น, นเวลามาเวลามามาวาดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายเห ม, มือนคนที่เคยติดเหล้าติดบุหรี่หรือติดกาแฟนะพอไม่ได้ วนไหนไม่ได้เสพเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่รู้สึกกระสับกระส่ายยิ่งถ้าติดแบบเพติดเล่าติดบุหรี่ติดยาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีอาการเรียกว่าลงแดงดันั้นถ้าไม่ได้เสพนานๆหลายคนทนไม่ไหวนะก็ต้องก็ต้องกลับเข้าไปนะอย่างคนที่ติดเล่านี่ให้อดสักวันหนึ่งก็ไม่ไหวต้องกลับไปไปไ ป, ไปดื่มอย่างน้อยสักเป๊กหนึ่งก็ดี เพื่แก้ในการที่คนเรานี่จะจะสามารถอดทนต่อภาวะกระสับกระส่ายหรือโลงแดงจนกระทั่งกลับคืนสู่ความปกติได้เนี่ยน้อยแต่หากว่าไม่อดทนไม่รอคอยแล้วนะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความปกติที่โปวงโล่งเบาวสบายไม่ต้องเป็นท่านสิ่งเสพติดต่อไป ความรู้สึกระหว่างตอนที่ติดมันนะติดพวกสิ่งเสพติดเนี่ยกับตอนที่เป็นอิสระจากมันได้นี่มันมันต่างกันเยอะเลยนะแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องผ่านความผ่านความทุกข์นะเพราะว่าจิตมันไม่ยอมร่างกายไม่ยอมก็จะต่อสู้มันจะกลับไปเสพสิ่งที่มันเคยติดเราก็ต้องอดทนให้การเสพ การเสพหรือติดแสงสีหรือว่าผัสสะสิ่งกระตุ้นเล่าเนี่ยอย่างคนเมืองนี่ก็เหมือนกันนะพอไม่ได้พอมาอยู่ในป่าในสถานที่แบบนี้น ย, ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้พกโทรศัพท์มาไม่ได้มีการไม่ไม่สามารถจะติดต่อใครทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เล่น Facebook ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงติดตามข่าวสารเนี่ย อยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการกระสับกระซาจิตใจมันต่อต้านแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราก็จะได้พบกับความสงบยิ่งถ้าได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยนะเป็นตัวก็จะเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยช่วยทําให้นะจิตใจเราโปร่งเบาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยความรู้สึกตัวมัน มันจะช่วยทําให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านง่ายนะพอฟุง้งซ่านก็ใจก็รู้สติก็ช่วยทําให้ใจรู้ทันวางมันลงได้นะจิตไปแบกอะไรไว้ตัวรู้สึกหนักอกหนักใจรู้หรือรู้สึกกังวลนะก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันนะไอความทุกข์คนเราส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไปแบกไปแบกอดีตหรือไปแบกอนาคตเอาไว้ อดีคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่มันไม่ถึงแต่ก็กุงแต่งไปแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลความหนักอกหนักใจนะภาษาไทยเราก็มันให้ภาพชัดเจนนะหนักอกหนักใจคือไปแบกเอาไว้นั่นเองแล้วก็ไม่ยอมปล่อยจริงๆเนี่ยก้อนเห็นถึงแม้มันจะหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกเอาไว้เราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไฟนี่มันจะ มันจะร้อนอยังไงถ้าเราไม่ไม่จับมันนะเราก็ไม่ปวดไม่มือไม่พองนะแต่ว่าเรากลับนะแบกมันเอาไว้แบกชิ้นเอาไว้หรือว่าจับฐานก้อนแดงๆเอาไว้โดยที่เราก็บ่นว่าปวดเราบ่นว่าร้อนเราบ่นว่าหนัก แต่เราก็ยังแบกมันอยู่เราก็ยังจับมันอยู่อันนั้นพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราลืมตัวสติเนี่ยสัมปชัญญะนี่มันทําให้เรารู้สึกตัวมันทําให้เรารู้ตัวขึ้นมาพอเรารู้ตัวนี่นะมันปล่อยเองนะมันปล่อยเอ ง, ม, อเองมันวางเองไม่แบกต่อไปยิ่งถ้ามีปัญญาด้วยแล้วเนี่ยมีปัญญาที่เกิดจาก นะการปฏิบัติหรือที่เกิดจากการที่ได้ฟังคำชี้แนะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะอนัตตลกนณสสูตรนี่นะปัญจวัคคีนีนะ่พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ทั้งห้านีนะ่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อยเลยนะปล่อยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษอะไรที่น่าจะยึดถืออะไรเลย เรียวเกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพิธานิพิธาความเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษลงคิดว่ามันเป็นสิ่งวิเศษต้องนาำหลงงเที่ยวมันให้ความสุขกับเราได้ลงดวงเที่ยวมันเป็นตัวเป็นตนพอพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดนะส ก, กิดใจเหมือนกับว่าส ก, กิดธุลีออกจากดวงตาปัญจวัคคีย์ก็เห็นเลยว่าโอ้ใช่เลยนะเราเผลอไปแบกมันต้องน้ำพอรู้ท่าน่าเราปล่อยเลยนะ เกิดนิพิทาวิราคะนิพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะคือการปล่อยมันตรงข้ามกับราคาราคาคือความยึดเอาไว้เพราะว่าความหลงไหลในรสอร่อยหรือในสุขของมันแต่พอเห็นนั้นนั้นแหละปล่อยทันทีเลยและช่วยเวลานั่นเองปัญจวัคคีย์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปหท่านอันนี้เรียกว่าปล่อยเพราะเกิดปัญญา จากถึงแม้เรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นทำเห็นพระตายรักอย่างแจ่มแจ้งขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าเราถ้าเรามีสตินะเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยไอ้ที่แบกแบกเอาไว้นี่ก็ปล่อยได้เหมือนกันนะแบกเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เสียใจแบกความโกรธความขุ่นมัวหรือไปแบกความวิตกกังวลเพราะเป็นนึกถึงสิ่งไร้ไร้ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตพอรู้ว่าแบบ กำลังแบกชิ้นอยู่กาลังจับฐานไฟแดงๆอยู่นะรู้ตัวเท่านั้นละปล่อยเลยผลที่เกิดขึ้นแนหะคือความโปรง่งความเบาความเย็นนะอันนี้เรียก ว, ว่าะจะช่วยทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ได้เร็วขึ้นคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหวงังแต่เพียงแค่ให้ธรรมชาติมากล่อ ม, ก ล, อมกล่าใจเรานะ ก็ถือแม่ธรรมชาติจะกล่อมใจเราสงบเดีกลับไปเจอกับความอึดอัดทึกความพลุกพล่านนะหรือว่าภาระการงานก็เครียดใหม่ทุกใหม่แบกใหม่นะลําพังธรรมชาตินี่มันไม่เพียงพอนะเราต้องอาศัยนะการเรือปลุกหรือกระตุน้นความรู้สึกตัวเขาเรียกว่าธาตุรูนะ้ปลุกสติให้เกิดขึ้นมันก็จะช่วยทําให้เรา สามารถจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นแล้วก็อะไรอะไรมากระทบเราก็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้จิตใจคุณมัวรุ่มร้อนหรือปล่อยให้ภาษานี่มันมามันมาทิ่มแทงจิตใจของเราอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เรามาใช้เวลาอ่ที่พิเศษนะของปีเนี่ยเพื่อมาเจริญสติมา สร้างความรู้สึกตัวที่นี่นะนะว่าเป็นเรื่องที่นานนุมโมทนามากก็หวังว่าพวกเราจะได้ลดได้รับได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ปรารถนานะให้สมกับที่ได้ได้ใช้เวลาช่วงนี้แทนที่จะมาร้องเพลงก็มาสวดมนตนะ์แทนที่จะเต้นลําเราก็มาเจริญสติเดินจงกรมอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่นานนุมโมทนามากนะคำนี้ก็พูดกันเท่านี้